นี่พระาจารยมหาบัวแสดงธรรมท่านคลางสงวนมือโบสถ์ที่สังเกตปราคนทั้งามห้ห้าที่รักสาบ้านปาในอดีตธร้างองเดกพรูมีพร่ห้าสท่านนั่งสีดี บันดาสาวท้งายนไปัดตางหากเาื่อนนำไปเพื่อความเพื่อนทุกเลยดีนำไปเพื่อความตื่าตื่ทางเวียนทั้ายาเห็นหน้าเม่บรรดาสาวทัหายที่ดูเดือดในถึงความเพื่อใจเร แม้จะมาจากประคุณใดๆก็ตามไม่เคยมีความเะเกลื่อนแทงเงินในประคุณที้งตนในเลือดขาดสมบัติยว่าความเมงความมีที่ผิดนั้นที่จะเกี่ยวข้องกับเรนี้ไม่เคยปรากฏในของขวัญของ้ เมื่อเลยออบจะเร็งกานเป็นเป็นสาวยของกระจุกใจแล้วมีความมืองต่อการกระอบความภาควาเพียรเลยไ ม, ม่คำนึงถึงอาหารไ ม, ม่คำนึงถึงสถานที่อยู่ว่าจะเป็นความสะดวกหรือไม่แพแจาความ ให้เป็นไรเพืความเพื่อเหลือในการเพื่อขอความภาคความเพียรเทงานั้นแว่าทั้งหลายเป็นที่โทอใจจิตการงานในทั้งนั้นรู้สึกว่ามือกระทัดจิตการงานที่จะเป็นไปเพื่อความเพื่อเคลื่อนเพื่อเครื่อนทางวนภายในจิตใจเตถ่ายเวียนไม่คอยจะมีจิต แสงเข้ามาให้เป็นการทังเนเหมือนอย่างสมัยทุกวันสนมัยทุวั น, นไม่ว่าที่ไห น, ไหนจุดที่แฝแต่ทั้งๆคือตได้สอบคดีคือจิตพามือได้ไปทำงานในที่นั่งๆคดี แค่บอกว่าถือเป็นจิดสำคัญยุ่นความจิตภายในการชำระกษังริย์ที่ฤาษีว่าผ้าผู้ได้เลิกและกอบจิตกางรางานภายในมีการก่อร่างสร้า ง, งวัดสร้างวาร้างสุงงสีวิหารแม่อาหวงธรรจติดต่อ างานกับการพัดเป็นถือว่าปจะสบการได้มากอะไรถือว่าเป็นเกียรตถือว่าเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นประโยชของปัสนาที่เป็นไปทได้และถือว่าเป็นมงคลของปัสนาที่ด้กันเมื่อตนก็นี จุดคิดจำเป็นต้นเป็นจุดคิดสอนใจ่รงนุ่งเทสานัคดีที่สารเลิกไหลเข่านาดันมาดันเลมาพาดําเิยมาพอดีเรื่องเป็นเถิดให้ได้เรื่องในทางภายในคือหลักศีลสมาธิอันดับเรื่องไม่เป็นไปแค่ความเป็นผู้มีศีลเลยสอดไม่เป็นไปแค่ความเป็นผู้มีสมาธิ มีความตึงหนักใจดูดันหนักจึงแม่เป็นไปด้วยความัวเยือกแสบด้วยคิดปัญญาที่กระถอบถอนตนทั้งตนเพื่อต้นสายให้สมกว่าตนไม่บวชมในเพื่อตัดเสน่หาเป็นจิตของไกขาดก็ได้ซึ่งพระองอ์ได้ทรงดำเนินมาอย่างนี้เรื่อจุตการหรือหน้าที่ ทั้งๆที่เป็นนักเดือดด้วยกันมีความแตกต่างกันอย่างฝ่างกันอย่างนี้แล้วผลที่จะเป็นไม่รับก็ต้องการครับเลยจะกลายเนเรื่องของเรตัด ส, สนหนาสองเรื่องตัดทว่าทั้งถาภวศัพท์วิปัสสนาที่ล่นั้นในทั้งเจร์ญแก่เป็น ก็เป็นดีนี่ะะทข้าใจว่าคงไม่เป็นคนขันพระเตินเตนแบอเปิดของความขังวนเตนแบบเปิดของความกระตุ้นตะเกียงของบรรดาปราประาชนทั้งหลายื่อให้จติตใจขึ้่อนถนัดสนุนเพื่อขันรรรรทภะนั้นคงเติมใจประมาแค้อยู่พ่เติมใจ ใช่ไหนอกจากว่าเป็นเรื่องให้กระทบกระเทือนเติม จ, จะต้องถึงบางลายในจะมณะของลายนี้เอ ง, งว่าเกิดว่าเป็นความเคยกระทบกระเทือนเติมเถิดควาเจรทั้งจริให้หนักในทางแอบต้างถึงกับต้องได้รับความเกรหายิตจากประชาชนว่าใครที่ไหน เกลีอะไรแผลกติกาใจมาเรื่อยๆจนกรายปาเป็นอาชีพหรือเป็นวิสัยของท่างที่นั้นคามเรียรลิศว่ามาจากสักทธามาเกินทั้งหลายนั้นเพื่อกาได้มาเพื่อการกาสร้างจจนตระหลอษาแผน่นนะแต่ท่านมันานานมา อกษายแลว่าได้มาเื่อตัวฟังแสงขึน้นเลยแอบอา้างการแกข้งจนเลิศบางหน้านเพเหตุนั้นคู่นี้คือแทนที่จะทำกรสับสนาให้เจอยิ่งยิ่งตัวกาเป็นคู่หยยบแย้นกรสับสนาในขนาดหยบ มีการดำเนินของพระศาสนาตั้งแต่สร้างองค์สมเด็จพระปูมีเสด็จภากส่าวและสายวยทั้งหลายท่านยังดีแม้จะมีทางปฏิละเป็นคู่เทียนกันมาถัดที่พัฒนาทุวะเทางถือแสดงหน้าบัดนี้เข้าใจว่าเคร่งเข้มขัดเป็นทางจะทดเปลี่ยนและตป็นจิตจำเป็นจนเหลือประมาณเส้นหวังคู่วัง ก็หมายทุกวันนี้ถือเรื hmm. ่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของศาสนาเจริญเนื้อถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของศาสนาก็แสดงว่าถือด้านวัตถิเป็นของสําคัญเต็มเครื่องเจดับหรือเป็นความจริงของศาสนาเป็นขวงอัตชันของศาสนาเต็มตัณหาสีของบาดาลศาสนาโดยสิ้นใจเจริักความจริงที่พระพุทธเจ้า เพื่อแสดงว่าเครื่องจีนที่จะยังจะชาตคนหรือพุทธบริษัททั้งหลายให้เห็นจังจีนจังนั้นได้จะอารื่องแต่จะทำทั้งสี่คือทุกจมูกไทยนี้เลิบนะแล้วข้าเสื่อมศูนย์วยอัดเข้าไปโดยไม่รู้สึกปว มีบรรดาวราทั้งหลายขึ้นเป็นนักปฏิบททัตเพื่แล้วควรจะได้หมักเรื่องนี้ให้เน้นแฟ้ในจิตใจทั้งสดอย่าเป็นผู้รืมั น, นในตติยทาที่จะตป็นไปถูกสร้องกันในทางของพระพุธทธเจ้อเอาที่พระองค์พาดำเนินมาหรือไม าำ ง, งานเมื่อเราเลิกทำเลยง่งในทันใฉันก็ต้องกระบุดตึงเส้นตอบแทนผลงานอย่างนะี้ทา ง, งานทางด้านภายหนคือสีนจะมาที่ตันอยถ้าเราถือเป็นข้อนักแน่นถือเป็นจิตสำคัญเช่นเอิมสมเด็จครับุลนุชก็ภาค่ารดำเนินมาแล้ว สืงจะไม่เป็นไปเพื่อความบริจิตในเพื่อใรทั้งไหนอย่างไรนะั้สมาธิก็ต้องเป็นไปเ่ความสงบสัญญาต้องเป็นไปเพ่ความเฉยฉลาถ้าหลักหลักฐานปรรม ท, ที่เตืนเจ้าสงสาได้แลนะ้วนั้นไม่มีเต้นไม่มีายเต้นมัที่มาปฏิปทาอยู่ตลอดละเมื่อเตอ เ่วนศูนย์อันตรายทางหรือเลือยวหลมไปที่ไหนแม่จะไปเลี้ยวแหลมอยู่กับผู้ที่ไม่สนใจใครที่จะปฏิบัติเพื่อศี่งจะมาที่ธรรมดาให้เกิดขึ้นทายในตนพนังหลักสำคัญมัอยู่ที่นี่เพราะนั้นการปฏิบัติกาสำคัญหรื ความเคลื่อนไหวทั้งกายวาตาใจพวกใดทั้งหลายจะเคลื่อนไปอย่างไดก็ตามแผได้คานึงถึงเรื่องพระเอกริายยาด้วยฤาษีธรรมาภิพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูสองเล่มนั้นเป็นครูอยู่ตลอดเอือบทั้งสี่หน้าจำนั้นความเคลื่อนไหวทังกายวาตา ของกรเองยอมตนกักระดาของสั์ต่าน่วยใจแเนือดันดาจาบข้างหลามีความสนใจใกล้ต่อการศึกษาจากระองก็แหล่ผู้ที่ได้มาเห็นมาได้ยืนจับกรเองก็ผูแสดงอาการเคลื่อนไหวทุกทุกตานะจะเป็นทัตุเคลื่อนเปลี่ยนใจของบรรดาท่างผุกของข้างหลายให้รับประโยเื่อนมากกว และมากน้อยขึ้นดูจักความถึงใจใช่แต่การศึกษาจากพระองค้าและขึ้นดูจากคัญญาด้วยซึ่งคือจะนำความเคื่นไหวนั้นออกจากความเป็นกาลาของพระองค้ามาเป็นคือของตนคาว่ากานาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเชื่อกระดาทพระศาสนาแนะนาท่านสอนพระชาถาเพียงเท่านั้น ยังเป็นศาตร์าทุกทุกอาการที่เคลื่อนไหวถ้าองค์เจ้าม่เคเคลื่อนไหวในอาการใดๆให้ผิดจากความเป็นพระพุทธเจ้าจะเคลื่อนไหวในภัยจุลญาณยากทุกๆกอาการรวมแล้วตั้งแต่เกินประโยชน์สำนักบรน า, นน า, าการทัร้งหลายและเป็นเคื่อนพระสับกรเจ้าว่าอาการทั้งหมดนี้เิินอาการออกจากาศาสนา ก็คืออาการแห่งศาสนาแน่แต่คือของโลกนั่นเองของบรรดาเราทั้งหลายได้ทํหนึงถึงวามเคลื่อนไหวของเราทั้งหมู่ะขากาอื่นของเราทั้งหลายเื็นแคว่าเราอยู่ เป็นหนนมู่เป็นชื่อรู้เกี่ยวกับสองคนนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่อยู่้นเดียวไม่ได้ต้องเกี่ยวกับสังคนเสมอเราต้องคิดถึงตัวสมอคนเราทุกๆคนย่อมมีการให้ตัวเสมอไปแต่กหลับธรรมะของพระพุทธเจ้านั้ น, นแห่กับหลักอิทธิผลเมื่อเราเป็นจุดข้าติภาวะเสร็จแล้ว <AP> ต้องเป็นผู้หนักในเหตุผลคือเป็นผู้สนใจแค่แต่หลักเหตุผลถูต้องหรือไม่ถูกความลงไปพูดลงไปคิดลงไปถูกกับหลักเหุผคือธรามองพระพุทเจ้าหรือไม่อย่าเอาเต็มทังเต็มแต่เต็มทุ่มอำนาจเมนือเหตุผลนัจะตนความผิดเจะเป็นเหอุผิด แต่เขาขัดเกลื่อนแต่สองคนคือหนุมี้เลื่อนด้วยกันคุณต้องยอมรับว่าผิดคุดต้องยอมตำหนิว่าคิดและยอมที่จะต้องปฏิบัติตามนี่หลักของผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นไปให้ถึงความเจริญรุ่งเรือง ใม้เนขังตนและให้เป็นประโยชแต่ปะชาส่วนที่ส่วนแรงต้องเป็นผู้มีศาสนาประจาความเปื้อนไหนทั้งตนทุกหลักศาสนาผู้หลักเหตุผลนั้นหาเราเอาเราเข้าไปรวมเข้าในจิตใจการใดต้องทราบว่าจิตใจนั้น จะไม่สำเร็จเรียบร้อแบบความมีเหตุผลแต่จะเป็นไปด้วยความะเทือนเพราะเหตุของกางเข้าตัวเนมอไปในมิถัของบุตรตนตนี้วราเป็นนักปฏิมัตองเป็นนักมีเหตุผลมีศาสนาประจําอียด คืต้องเข้าใจนกิจการงานั้งเอาที่ทําที่คูดที่คิดที่ไปมาให้ถูกต้องตามหลักของศาสดาที่สอนไว้เราจะเป็นผู้มีความริ่มเย็นภายในใจทั้งหราด้วยและเตินไปเพื่อความเริ่มเย็น้งหรับมือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันด้วยจะทำประสาศสนาให้เกิด เ้งของเราเกี่กับมือเกีเหมือนกันสมาธิอันญาก็เกี่ยกับมือเกเหมือนกันเราดูกับนือเกียตองไดู้เพูดไม่ถกทางก็ติดขีมของเราพูดเกี่อวกับมือเกี้ยวเม่ถูกทางก็จะเหนื่อยไม่เกิดความข้างบนทาลายสมาธิของเราให้มีความเหนื่อยไม่ได้ เห็นม the <less> ือเพื่อนทาผิดหรือปลูกตามความรู้สึกข้งตนหรือตามความเข้าใจข้งแต่ถ้าปัญญาไม่รอบผอบในการเห็นในการละยินอาการของการจะทําหรือการพลูกของตนเองแล้วแทนที่เขาจะเป็นคนผิดเราต้องกลายเป็นคนผิดเพื่อเองเพราะนั้นเรื่องศีลก็ดีสมาทุก็ดีปัญญาก็ดีที่เกี่ยวกับสองคนหรือมือเพื่อน อ right right ันเป็นเหที่จะทาตัวของเราให้เสียมีทางมีได้อย่างนี้ของเราทั้งหลายได้นาหลักเัตุผลไปตั้งไว้ที่หัว่จของเราขับไล่ทำที่ว่าเราออกเสีกจากที่นั่นให้เลีงเลื้ยตั้งแต่หลักธรรมคือเหตุผลได้ที่ใจ ผูนั้นไปที่ไหนมาที่ใดอยู่ที่ใดจะตามจะเอินที่เริ่มเย็นของต น, นเองแม่หมู่เสื่อมเสมอคนหนาวที่เกิดความทะเลาะเบาแล้งเมื่องจากเอาเราเข้าไปตั้งไว้บนหัวใจหรือเอาเราก็้าไตั้งไว้บนหลักเหตุผลอิธมรรคของประพุทจาเมื่อเอาเราซึ่งเป็นเปเลิกเลื่อนๆเข้าไปตั้งไว้บนหลักเหตุผลอันเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว หลักสติสุธทํานั้นก็ไม่มีอนานาจแต่ก็กระตายไปจากหัวใจของเราือตั้งแต่คาว่าเราึ่งเป็นแสลื่นเรืวยฝังอยกับจิตใจของบุคคลเมื่อเรามาออกจากคำว่าเรานันแล้วหรือเพราะเราเป็นเหเป็นผมีอนานาจมัน ได้ละมออกมาทางกิริยามารยาธรรมพุทําจาเรื่องต้นเหตุให้ผิดให้แต่เพื่อสะเือนให้เกิดความทละได้แล้งบางลายถึงฆ่ากันตีกันคิดหายเริ่อจนตมตู้แต่ลายเห็นดูแต่หน้าแต่ตาแมวยินอยู่ในหูทั้งหลายทุกทุก่งแ่ว่าแน่รักในว่าภเงืกง ความถึงเกลื่อนเราียเป็นของสร้างขึ้นผู้หวดในพรศาสนาจึงต้องเป็นผูถือหลักเหตุผถเป็นสนถัญและถู้ยิ่งกว่าหัวใจถู้ยิ่งกว่าชีวิตจิตใจข้งเราต่ออีกแม้ชีวิตและจิตหายอาแต่ก็ตามของประเงค์ได้ซึ่งธรามคือหลักเหตุผลของพระทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ คูอนั้นแลเป็นผู้ที่จะยังกระจัดสัญหาให้เจริญดีเดียื่อตายไปแล้วร่างกายแตกกรายจิตวสัชฌ์จิตุนก็เชื่อฟูแค่จำทยุทุกหนึ่งที่งเม่อเกลื่อมชุนอันตรานแต่ความเช่นหลทางร่างกายเช่นบางเอิงแสาเด็ดวิสูมพระธาตุเ้ า, า, าและสาวาาตสาากตลอดทั้งฟูลาอาการผู้กาาสดชื่อดีนามย่อมนล้ตั้งแต่ท่านเป็นพุนหนักท้ยเหตุผลหรือหลักธรรมะตึงได้ กองหัวใจม่ได้ถอเราจนเกิดรองหัวใจจเสซึ่งตราบว่าการวัดบูชาของเทวดาลนึกทั้งหลายอย่างแนบแน่นมากยางเต็มเป็นเตกรเราทั้งหลายซึ่งเป็มถูแต่ังหน้าดำเน้นตามแนวทางสาแว๊บขององค์เต็มแต่แค่พุ่งแาคีซึงสำเน็ตเ็มเสมอ และทุนทําติดใจทั้งเจนให้มีกามาคือคือสามอยู่ตลอดเวลาึ่วบอยากสงสารว่าเป็นหน้าที่ของข้าเราเป็นขี้จาเป็นผู้จะต้องเปิดเกื่อนสิงหัวหมองคือคุอุทาเพราะว่าทั้งส่วนอยากส่วนกางส่วนไม่ละเอียดแอกจากกายวาตาใจทั้งหมด อะไรเล่าเป็นเครื่องที่จะทำหนัาทุนอย่างนี้ก็คือศีลสมาธิขันยานเมื่อเป็นเช่นนั้นทำทั้งสามประเพณีศีลสมาธิปันยานเราจึงควรถือว่าเป็นของจาเป็หรือเป็นธรรมที่จาเป็นซึ่งเราจะต้องพยายามอดกลืนวิสาให้ฟังเส็มให้เตื้อให้มีขึ้นในกายมาคาใจของเราส ศีลจะมีความบริสุทิจ้าเมื่องจากเป็นผู้มีสันทะคืออุทิบาตรทั้งสี่และผันทะแฉกตนเป็นผู้ขวารใจในการรักษาศีลทั้งสี่ในอุตนาละอาาจในการรักษาศีลจะเป็นศย์ข้าใดารก็ตามชื่พระองค์เจ้าสมมอบไว้ เห้เตินสมัติของเราเลยเราน้ำรับได้ความเปินเอกเปินเอกแ่าต่อการจัดปุะพฤติปฏิบัติรักาสินงของเราถ้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ทุกๆข้อมีเรียกจากพันธะความแปรวิทยะเยอยามรักษาดีสันหมืองทังที่แป็ที่รักตลอดอียดท้องสี่ ไม่มีความลดละในทางความเพียรึ่งจะต้องพยายามรักษาตีนให้เต็นใจเพื่อทมโยสิ้เลยดีกุดตะแอนรูมมีความฝักใฝ่เสมออย่าทำจิตัองเป็นให้ห่างไกลจากถู่นแล้วมัดระวังราาักษาถูนเส้นเดียวันจัดเราละลังบัดแหลที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหมด แม้สิ่งใดมากระทบหรือแั้เรารักษาสิ่งที่มีถึงค่าในบ้า ง, ง, อองของเราแม้ความเจ้นเมื่อเอกิดขันแม้ชีวิตก็ยอมสบาบได้เพื่อป็นหมาะกับเกิดนั้นหรือมังษาต้องเป็นเพื่อความแค่เียวเทานัคือเรื่อง ข, งของสัญญา อิทธิบาทั้งสี่นี้เป็นหลักทำคือจะทาบุคคลที่มีความแก่กับอิธิบาทนี้ให้ได้ใกล้เข้าสู่ความเริตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสงสุดคือวิมุตตานิพพานจะเลี้ยงจากอิทธิบาตทั้งสีนี้ไปไม่ไดเพราะนั้นจึงเตรียมเจไาเลห์ะ อุทมบาททั้งสี่นี้เป็นนาคเง worry, hmm. yeah. so, so ้าของพระกษัตสนามเรือเปนนาคเง้าของโลกที่แม่น้ำมันคงลุกเรือนเรื่องเลือเลกจะเจริญเรื่องเรื่องได้น่าแค่อุทิบาททั้งสี่เปนนาคฐานทั้งของทำจะเจริญเรื่องเรื่องได้ทั่วทั้งกายโลกกับข้าและทั่วทั้งดวงจิตดวงใจของเรากายวากาของเราต้องอาศัยอุทิบาทตนของขั้มขัง สมาธิก็ดีเราเป็นสมาธจะเกิดขึ้นมาโดยอิสระนี่ปัญญาภาวนิชบาททั้งสี่นี่แล้วก็จ ะ, จะเป็นปัญญาที่เติมแล้วแตเติมสามารถผาดผ่อตจมทั้งเติมให้เติมจากทุกทคยไม่ได้อีกเติมเยู่แบบเพระเหตุนั ควาว่าปัญญาก็สมเกวนอยู่แล้วเกิดไดจึงต้องอาศัยอิธิบาตทั้งสี่กายุทธมาทั้งสี่นี้ ม, ม, มีทำหลายข้อเรียนกันให้เรื่ ง, งเป็นธรรมที่มีสมองท่าใจมีการเคลนการทิ้งทิพุ์แรงนาพยารมที่จะต้องพุจารณากรอกข้งดูงดเหื่อนผลเสมอ เอาใจปักใส่ใรต่อความคิดในเมื่อสิ่งใดที่มาสัมผัสหรือในประเทศเหตุการต่างๆไม่ละวางในทางความขอ้อคภูมเพียจเรือความปักใส่ที่จะต้องคิดกันมาในสิ่งที่มาสัมผัสหรือเหตุการณ์นั้นๆใหาสนใจแน้งด้วยปัญญาก็รวมหนงในปัญญาที่จะเดินไปก็ คว า, ขามขนาดรอบครอบจนน้ำหักต่เรามาบวชในพนระศาสนาครึงทํานึงถึงแนวทางของงองสคสมเด็จก็คภูมิกระชาจักและสาวกที่ทนได้ดำเนินไปแล้วคดีได้ฟัง้อมเพื่อเราทังหลายแล้วแล้วคดีให้นักกว่าเรื่องใดๆทั้งนั้น ว่าเห็นเรื่องของเราว่าเป็นเรื่องสําคัญยึ่งกว่าเรื่องธรรมะคือแนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องใหญ่เตอกว่าเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องลืมมันแก่สําคัญเรื่องฝากมันแก่สําคัญเรื่องค้องมันแก่สําคัญ เรื่องการหลับการมานการขี้เกียจขี่้แพ้มันก็สําคัญเรื่องการเห็นแต่ตัวมันก็สําคัญทุกทุกสิ่งที่เป็นใจแพร่ที่เกิอปัญหาจะกครอบคหยยัวใจของเรามันเป็นเรื่องของเราและจะกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นตามความนั้นเมื่อเราไม่เห็นธรรมพระพุสีเจ้าเป็นของสําคัญแล้วเให้เรื่องของเราสาคัญขึ้นกว่าธรรมพระพุสีจเจ้าแล้วผู้นั้นจะเอาเออตัลอดไปในนได้ จะเป็นต้นเริ่มเป็นแม้ยังไม่ต า, ายก็เป็นเป็นหมดข้าหมดละข้าไม่มีคุนข้าในตัวทั้งส่วแม่แต่แม่แคเทาะะนั้นเราเป็นลูกจุดพระประทับแสดงเห็นว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นสมุขนาส่องสอนไว้ทุกทุกข้อ ว่าเป็นสมบัติที่เออราจะผู้จะเป็นผู้รับม่เพื่อถินตัวเองและเพื่อจะดูสมบัติในอีกเพื่อเพื่อพ่อบแบบโดยมีความเข้าป็นี้ผู้นั้นเองจะเป็นผู้เริญในกัจจักภณจะเป็นผู้สา ม, มารถยืดื้นกัจา ส, าสักให้เติญรุ่งเรืองภายในจิตใจของตน้วย เอาแต่เริ่มงุ่งนวยแต่ประชาเป็นทั้งหลายให้เขาเนรนับกูหยอยากเตนเลือดคือว่าเป็นทูดทำหน้าที่แทนแทนสินเดชพระภูมิพระภาเจ้าแล้วสาวกทังหายหน้าอย่างเต็มที่ขอให้พากันทุจริตคำว่า น, นักบวชนี้นั้น เตินที่เต็นทร่มแล้วในหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับการจัดเพท่อคูนเพื่สรหาและจะรู้ฟื้นเตินทังเตินให้พ้นจากหลงลึกคือแบบของที่เดือดกันน้ำเพราะว่าทำให้สาววิปรายเธอตัวก็งายขึ้นมาสู่ความเจริญง่าขึ้นมาเป็น สู้มีข้อวัดรปฏิบัติอันดีงามเราจะเป็นไปด้วยความรุ่งดีความจะแอดีมาเลยว่าถูอก็ดี็มาติก็ดีปัญญาก็ดีเราอยากเห็นว่าอำนาที่ของใ ค, คร น้าจากว่าจะเต็นหน้าที่อยทั้งหายคนเดียวซึ่งเป็นผู้มุง่งความเพ่งทุกในมะติทั้งสามกระล้องอาศัยซื้อสมาธิปัญญาจนทําเคลื่อนแย่เสมอไปภาคากจะทําทั้งสามสเจ้าเพื่อนี่แหละจะเป็นไปเพื่อความสมหวังไม่หนาเมื่อเป็นเช่นนั้นซื้อสมาธิปัญญาซึงเป็นหน้าที่ของเราทุกทุกท่า จะต้องพยายามบำรึงให้สร็จบุญขึ้นภายในสายวาจาไทยของลราถึงท่านเ้าหน้าได้ทราบเลยว่ารักษาอย่างหน่อยเป็นสิ่งเราก็เคยรักษาตั้งแต่วันเดียร์สมาธเคือความสงดใจเราต้องหาแท้ต่าง ไม่พยายามจะทำใจทั้งเต็มที่สง่แล้วธรรมะก็มาที่มีหลายท่านรอาเร่ได้หลายนายรู้แว่าความมั่นคงก็ได้หรือแต่ว่าความมุ่งมั่นก็ได้ คามแตกต่านสองจิตที่เป็นใจในทางสมาธิหรือการที่จะทำใจให้เป็นใจในทางสมาธินี้นสมาธิมาไม่หลายหน่การบริกรมรมภาวนาด้วยบทพุทโธธรรมโมสังโฆหรือกำเนิดลมหายใจเ้าออกเติมอารมณ์ของใจมีสติเป็นเครื่องกา ก, กับวิสษา แม่ขั้งเคยจากบทดทํานั้นนั้นให้จิตดุอาสายทธรรมนั้นนั้นเป็เชื่องบริกรรมอยู่เ็หล้วเวลายุดเมื่อไม่มีหน้าที่อื่นทำมีเฉพาะการบริกรรมบทําเป็นเรื่องกำขัดอยู่แล้วจะเติมเตาเความแข็งแกร่งวาจะากความพงการุดวายซึ่งเคยเป็นมา เมื่อมีความเสงบแล้วต้อมีความสุขเพราความสุขเป็นผลเกิดขึ้นจากความสงบความสงบเป็นผลเกิดขึ้นจากการเกิดทําคือทำการดำเนินนี่เป็นเหตุเป็นผลแต่ข้าต่ันมาเป็นลำดับลาดับหนึ่งทุกได้เป็นผู้มีความมุ่งเป็นผู้มีความใช่ต่อการทําสมาธิพอความสงบแล้ว เึง่ถือจุดคือรารภาวนานี้เติมของสำขัญ น, นั่งอยู่ที่ไหนก็ตามในอุญาตบททั้งสี่แม้ที่สุดใต้ดินถ้าเหมาะไม่ยอมปล่อยวางจิตใจให้ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆมือทำ ม, มุ่ง ม, มั่นดูกับทำวิธิกรมรมภาวนาหรือพิจารนาในสภาวะธรรมตามขั้นของจิตทั้เงเติมที่ดาเ น, น, นินอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมลนละและไม่ยอมให้ท้องเถิดนับตั้งแต่ตาออกจากลาไปถึงหมู่บ้านแล้วาากลับมาถึงตลาดมือทำเผลอกี่ครั้งผู้ที่มีความสนใจถึงขนาดนี้ต้องรู้ทีเดียวว่าจุดท่องเราได้เผลอไปกี่ครั้งมีคุณเองเป็นผู้ที่จะสามารถทำสมาธิ คือความตั้งใจให้เกิดขึ้นได้และเป็นผู้ที่จะสามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ในลำดับต่อไปได้อีกขั้นเดียวหนึ่งแค่การที่จะทาศีลให้เป็นไปถืดีสมาธิให้เป็นไปถืดีปัญญาให้เป็นไปถืดี คุณทราบวาออกจากลักในอิทธิบาทซึ่งได้อธิบายมาแล้วทั้งสิ้นถ้าพาอิทธิบาททั้งสี่นี้แล้วทำอันใดก็ตามเมื่อตนขึาา้นเป็นอันแม้จะํผลิดก็ไม่สมบูรณ์หลักของสีต้องเป็นต่เรื่องอิทธิบาทหลักของสมาธิก็ต้องเป็นไปเรื่องอิทธิบาทหลักของปัญญาแต่เฉพาะต้องงองอาศัยอิธิบาทเพื่อเป็นทำ หลายข้อรวมกันข้อแล้วเป็นเหตุที่จะทำปัญญาให้มีกำลังกล้าขึ้นพอ ท, ที่มีความพยายามทำจิตทั้งตนให้เป็นแต่สมาธิเดยทางอีกที่มากแล้วจะเป็นื่อสามารถทำปัญญาให้เกี่ยนแจ้งขึ้นในอันดับต่อไปได้เพื่อนเดียวันงัตทางสมาธิ สมาธิคือความตัง้งมั่ใจหาใจมันตัง้งมื่นไม่ได้เต็มเครืองดได้ขอเส้นขาดูหลักฐานที่มันไม่ตัง้งมั่หรือเหือดขึ้นมันไม่ตัง้งมั่นเต็มก็หยุดไปดูให้มันชัดทัศน์เป็นของสำคัญคว่าคออกกล่องดูเกิดการ คีอจุดเติมเตากวับความฟุ้งเ น, น, น, น, น, นั้นเติมเตาได้อย่างไรเติมเตาต้อยเหตุอะไรมีอะไรเป็นตัวเหตุให้ใจฟุ้งเฟ้าหรือว่าต้องค้อมดูเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติแล้วต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องคาดภุระในหน้าที่อของตนขือจิตใจหม้อใบตัระญาติเพลขึ้นในตใจทั้งสี่คือบินข้นาวบะเมานะ ที่ลานัทโทรศัพท์เท่ากต่ยาเท่าแต่ีวอร์เครื่องนึ่งเอ็งมอบกับชาวบ้านเท่นั้นแต่าาเรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีซึ่งเป็นทางหยุดเพิ่มจากที่หลวงตาบะถวาให้ถือว่าเป็นจิตของตนเองตลอดริญญาณและตลอดรันทาด้วยอย่าท้อถอ อย่งางไรจะเป็นตปเท่อความสงบจิตจ็เหนืออำนาจของสติกับปัญญาหรือของเราแต่ไม่ได้องค์สาเร็จพระภูมิพระภาคเจ้ากรณีสามกษัตริีเมื่อปรากฏว่าเป็นที่เบิกจิตที่เธอตั้งแต่วันพระองเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อออกมาจากทา้องแม่เป็นคนมีเื่องปัญหาชเรียกับเราทั้งนั้นมาร้นที่นามาทเต้นเสาทำบ้านทาเดือนทนนนําลาซึ่งเราตั้งในบัดนี้ เราเลยสำเน็ดลูกมาทีเดียวจากต่างสำเน็ดขึ้นมาจากการกระทำของในท่องตับโค่นล้มอย่างแล้วับโิ่มตั บ, ตบลายล้มพาต่อพาเพื่อเลื่เพื่อเลือ่อความใส่หกเล็บเตี่ยมข้อต้องทำความลงน้ำรักก็อต้องเงินควมจะทำเป็นเส้นเป็นเสาเปนขือเป็น แฝืหรือเป็นกระดานน้าฟ้าและแต่ในท่านจะทําเขาตามความต้องการและความขลาดของตขาไม้ก็ต้องแฝื้อไปตามเรื่องของในท่านก็เหนือในท่านไปไม่ไ่าเทมที่ตึกเพื่อสำเร็จเนบ้านจปนเวรเป็นตึกเป็นข้าเปทมเขลาลงทำอย่างไรนั่งอยู่ในแบบนี้เึงทราบว่าเมื่อสำเร็จมาได้วยไม้ทั้งเตม ทั้งสิ่ก้อนขาขาทั้งหลากเตยว่ า, าักหอกกำหนดขึ้นจากในช่างที่มีความฉลาดสามากถแปรลูกมะทั้งหลายนั้นให้มาเป็นฉลาหดขึ้นมาพ่อมี่ก็อึงป็นข้าผ่านนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าที่แรกท่านก็เป็นมแต้มหนึ่งสาวก็เทียบกับมะต้นหนึ่งเหมือ น, น, น, นกัน พระองค์ก็เป็นในที่งสาวกก็เป็นในที่ตั้งขามากที่จะเจริญในพระองค์เจ้าให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาจนกายขึ้นเป็นศาสตราเอกสอนเระองค์และสอโลกข้างหลังซึ่งเราทั้งหลายได้ปรกาศไอยู่แบบนี้สาวกแค่เป็นเส้นเดียวกันนั้นเราจึงยกเอกพระพุเจ้าและสาวกเข้ามาเป็นแบบข้าบับ หรือเป็นเจ้านงคตฐานของกษัตริย์คำที่ว่าพุธทธังคำมังตั้งทางเจ้าน า, นางคตฐานม่ดหมายถึงวาการพูดด้วยคมพูกราบว่าสังเกตสังเแล้วไม่สาเร็จประโยชน์เสียงทานั้นการถึงระดับยังมีหลายขั้นขั้นจิตกรามารื่องนี้เป็นขั้นหนึ่งขั้นของพกกาบเนขั้นหนึ่งกราบด้วยความสนิท ติดใจด้วยตราบด้วยความีวิตพระพุทธเจ้าจะทำประสงมาเป็นแบบเท่ บ, บเป็นคู่ีวิตหรือเหนือชีวิตแรองชีวิตั้งเราด้วยได้จะเอาแบบเท่าองค์เจ้ามาดาเนินตามเรานาแบบนี้ก็เป็นมาทานนั้งต้นเหมือนกันแล้อาศาัยเครื่องมือจากพระพุทธเจ้ามาเจริญน มาเป็นเรือมาเป็นสิวเป็นความเต็มมืดเป็นค้าําหับฟาดฟันรู้ด้วยไหมใส่เพชรนตัวของหนับให้ปราเพแตกออกมาเป็นสีที่บริสุทธิ์เกิดมาเต็นสมาธิด้วยความตั้งหนับเต็มท้นั้นของสมาธิออกมาเตมกัญญาเต็มท้นทั้นของกัญญา ต่อจากนั้นก็จะสาเร็จเสะโอ์อย่างเต็มที่เึ้นอย่างเต็น้านเต็เรือนเพียบกับธรรมะนี้จะสำเร็จเสะโอช์ขึ้นมาตามแนวทางของธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงแปได้ว่าสาเร็จเป็นพระเสด็จําเร็จเป็นพระกิจทาธาสาเร็จเป็นพระอนาธาสาเร็จเป็นพระ อ, อ, อ, อรหรันนี้เทียบกันกับ ข้างร้านหรือสาราลงธรามที่ไดเรียนปฏสัาภะแล้วาเร็จลูกขึ้นมาแบบนี้มี่ก็บพอรวมแห่งคุณธรรมทั้งหลายที่เราได้เกิฑในแล่อาศัยเคื่องมือจากพระพุทธเจ้ามาเจณฑ์นในตัวของเราให้กำเร็จนสืบจนสมาธิเป็ น, นปัญญาขึ้นมาจงสามารถกลายเป็นวิมุตติภารขึ้นมาที่หัวใจั้ในในงหลาเติมอันน่าสมความมุ่งมากต่อหนา ถ้าเป็นบ้านก็เป็นเป็นที่เป็นเรือนก็เป็นเป็นที่เส้นห้างเป็นหอก็เป็นเป็นที่เป็นมุมิดเป็นพนธุ์ผ่านก็เป็นเป็นที่ขึ้นที่สิตใจทรัขอให้บรรดาท่านทั้งหลายเต็มสำนึกตัวของเราด่เสมอว่าลายก็เป็นคนหนึ่งเึ้นี่มีจิติทธิ์เชนเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกับเราเม่อไร่เราจเตฤทธิ์แต เลือกภาพเอาไปเสียโดยการจัดเนื้อผลผลคือการธรรมะเมื่แหละแม้แต่บ้านเรือนก็ต้องอาศัยเนื้อผลคือเราอาศัยเราทำเขาขึ้นเขาขึ้นบ้านเรือนจึงจะปรากฏเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเราด้วยความสะดวกสบากสบายจิตใจต้องให้เป็นใจเท่าความสะดวกให้เป็นใจเท่าความบริสุทธิ์ใ้เป็นใจเท่าความสมายก็ต้องอาศัยเราเป็นผู้ก่อสร้างสร้างขึ้นนัดแปลงแต่งจิตใจของเรา ถ้าครอบจิตใจขงองเราหายหมดขึ้นเป็น น, น้ำนับไปเริ่มมาตั้งแต่ปีเริ่มมาตั้งแต่สมาธิสมาธิคือความมั่นคงของใจกางจะทำความเพียรก็มั่นคงเดินจงกรมก็มั่นคงด้วยสตินั่งสมาธิก็มั่นคงด้วยสติจปัญญา นานก็มั่นคงเอื้อแบบทั้งสี่มั่นคงด้วยคติด้วยปัญญาด้วยความภาคความเพียรนี่ก็จัดราาอบ เ, เป็นเมืเด็ดมาจากใหมาธิคือความมั่นคงทาอะไรไม่วอกแวกคนเสิร์ตอแต่นี้ก็เป็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาคือความมั่นคงของใจแน่นหนาของใจไม่เอื่อเอียงไม่วอกแวกคอนเสิร์ อันเป็นผขึ้นมามาจากสมาธิในบ้งต้นซึน่งจาวเรื่องนับนี้เต้นผลขึ้นมาให้เราได้มีความเยือกเนภายในใจิตใจเมื่อมือเต้นคุณคือสมาธิได้รับความเยือกเยนแล้วพยายามฝึกค้นโดยทางกัญญาคือแต่นสภาวะซึ่งมืออยู่รอบตัวของเราทำให้ชื่อว่างตาอันนี้ ตังแต่ภาณะคือผิวหนังข้าใจจนกระทั่งเห็ภายในหรือให้เห็นทุกขินหาไม่จังซึ่งซาำอยู่ที่ไหนประสาทตัวอยู่ทั้ ง, งอังวังจังขืนมันไม่เพียงอยู่ตลอดเวลาเหนอยู่ในตัวของเหล่านี้แม้ที่จิตเจตสึกจะทําที่ตรงอยู่ที่จแท้ๆมันก็ดับอยู่ตลอดเวลาเห็นอย่างนี้คือความไม่เพียงนั่นภาณะมันก็แปร ى. มากคือร่างกายภาณเอาคือเจตสุจธรรมมันก็เปล่ โดยแต่หาความสุขความทุกขความเจ็บเสิยมันแปรทั้งนั้นสัญญามันก็แปรสังฐานมันก็แปรอวิญญาณมันก็แปรเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นว่ามีจังทัดในตัวของเรามองไปทั้งนอกมันงแต่เส้นเดียวกันเมื่อปัญญาของเรามันทำเครื่องทีกับเกิดการณ์ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแล้วมองไปที่ไหนก็เป็นทรรมอันนีจั ง, งคิกของเงินตาเ พ, พระกาบล่นเลกธาตุอยู่ดูบกพ่ง มีความสระเมื่อไหรเมื่อเรเริมด้วยเส้นนี้เพื่อทำนาให้เหมือนชักอย่างนี้โดยจำญาอาชีพังนําดูตลอดเวลาเขามีความิเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันเป็นเพรความทุกข์บกบ้านถูกเตียงบุกเดินพยาบาลบุกคาลึงคาลาหาดุหายามาเพื่ออะไรก็เพื่อจะแก้ขทุกข์ด้วยบำบัดทุกข์ที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในตัวบอคคลเราอีกนั่น หนตามันเพื่อฟังคำของใครเราใครจะว่าขันเป็นหญิงใครจว่าสันเป็นชายขันเป็นพระขันเป็นพญาขันเป็นศุนย์เป็นหลวงขันเป็นพระเป็นเนินธรรมชาติอนั้นไม่ฟังใครทั้งนั้นเพราะตาเป็นอยู่ตลอดเวลาว่าเขาคือเมื่อไม่ใช่ใครทั้งนั้นนี่หน้าตาปัญญาให้มันแคบไปปัญญาอย่างนี้เลมันจะไม่เหนกระแสแห่งจุดทีดแต่สําคัญมั่หมายในสิ่งทั้งหลายได้อย่างไรละ เมื th th nói, ่อเห็นแคทแล้วมันก็ต้องแปรวางทั้งวายนอกก็ต้องแปรวางด้วยปัญญาภายนอกหมายถึงด้เสียงกล่นและเื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่ละเวียงที่หลุดตาพรางให้หลงไแตามเมื่อได้เห็นแคทแล่วที่จะพาว่าต้งหนไหนนั้นก็ไม่ได้เป็นของเรา่องเรืองผลที่สุดก็คือหัวใจของตนเองคิดหลอกเลี้งตนเองโดยไม่รู้ตึวเมื่อวันน้ จริงข um, ้างหลังเราน้ำตามเป็นจริงแล้วกามาเห็นกระแสทั้งใจทั้งเป็นซึ่งเป็นผู้หลักล่วงแล้วจะหลักล่วงเต็นไปได้อย่างไรล่ะในเมื่อปัญญาได้ทยคำเป็นนั้นแหละก่เดินเข้ามาเท่านั้นเองเมื่อมาที่เป็นมาถึงกลางร่างกายว่าอะไรเราเป็นเราหนังหรือเป็นเราขนขนเม็ดปันเนื้อเอ็นกระดูกหรือเป็นเราอะไรเวลาทั้งหมดนี้หรือเป็นเราดูที่ไหนมันก็มีตั้งแต่กองในจังทุกขังราคาหาเราที่ไหนอยู่นี้ไม่ไม่มันไม่มี ม er. ื่ด right ูเรื่องกัญญดูอย่างนี้ออกจากนรกคนก็จะดูถึงเรื่องเวทนาคือความสูกความทุกความเจ็บ่งหนึ่งก็จัดกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้หรือเป็นเรามันก็อันเดีกันอไม่ใช่เราตรงนั้นกัญญาจำได้มากได้น้อยจามาตั้งแต่วันไหนมันจำได้ถ้าไรมันก็แับไปแค่้าที่จหน้านั้นไม่มีอะไรเหลือหรอเนื่ยตอนกางก็ตื่นขึ้นมาจาใหม่ บับเอาอยู่อย่างนั้นนี่มันก็เป็นใจว่าสิ่นี้เอนไม่จังทุกขังอนาปะของความความเปลืงก็เหมือนกันเปิงเท่าไหรมันก็ดับมันแสดงความไม่เที่ยงถ้าหลงตามมันก็เป็นทุกข์แต้ตั้งขานนี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนาเท่านั้นวุญญาณก็เช่นเดียวกันเห็นแทบแย่เจ้าตามไม่จริงไม่สิ่งแบบนี้แล้วปัญญาก็งมีความเฉลียวฉลาดตามเข้าไจนกรทั่งถึงหลักเงาหลักสามซึ่งเป็นบอกเกิดของรูปกายและ จนสถานที่เปิดของเวทนาตัญยานั้งฌานวิญญาณคือที่ไหนล่ะคืออะไรมันก็จะไปเห็นหัวใจซึ่งเป็นดวงอริชาซึ่งเป็นอริชาเต็มอยู่ในที่นั้นอะไรล่ะเป็นอริชาความรู้ที่เต็มไปด้วยความหลงมี่เองอริชาความรู้ที่โกหกนี่เองเป็นอริชาความรู้ที่หลงตัวเองนี่เองที่เรียกว่าอริชานี่แหละบอกเกิดคือที่นี่เกิดที่ก็เกิดขึ้นจากที่นี่เกิดเวทนาตัญยานั้งฌานวิญญาณมันก็เกิดขึ้นจากที่นี่ กิความเหลิงในรูปมีเสียงในกินในรสเรื่องสัมผัสผัวต้องโลกธาตมันก็เกิดขึ้นจากป่ออริชานอืมเมื่อพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปเพิ่มเนชัดในเรื่องของอริชาตือะไรก็คือความรู้รู้อันนี้มันเป็นอะไรอีกบ้าหลังทั้งหลาเราจะได้เห็นชัดด้วยปัญญาว่ามันเป็นอันุี้ังทข็ะนตาทรู้อันนี้เป็นอะไรอีกล่ะมันก็ไม่เป็นตรักษเป็นอะไรเดให้มันเห็นชัดอีก เจ้าหลอกลวงเนี่ยมันคืออะไรมันก็เตือนใว่าตัวตอเองแต่เราไมเข้าใจว่าเราจนม่มีาที่จะพิจารณาสาภาพนี้ให้เห็นแบบเป็นรายลักที่ละเอียดที่สุดข้ประมาณานี้เป็นรายลักส่วนะเอียดที่สุดไม่ใช่เป็นส่วนยาส่วนจังเหมือนอย่างสภาะที่เป็นรตยลักษณ์ทั้งหลายที่ท่ะไเหมือนเราได้พิจารณาให้มันเห็นแท้ตามเป็นจริงอีกความรู้ทเป็นเจ้าเกิดอันนี้มันก็ทนยูไม่ไา้ในเมื่อปัญญาได้เตรียงพอแล้ว โดยนี้เท่าความเป็นมายาของความรู้ประเภทนี้แล้ความรู้นี้ก็ต้องแตกก ร, ระเด็นไปอีกเห ม, มือนกันเมื่อมีอันใดหรือเมื่อความรู้ น, นี้แตกกระเด็ น, นไปเพราะอํานาจของอภิสัง ญ, ญาณนั่นแหละนั่นแหละเราจึงจะเห็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเปิดอิชาติดิเอาไว้เมื่ออภิชาติโตเผยออกแล้วก็จะได้ตาเปิดธรรมชาติอันนั้น ว่าเป็นของอาธิการมืออยู่ตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบเลอจะจับจะจับเพื่อเรื่องปัญญาเท่านั้นนี่เราจึงจะหมดปัญหาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีตามส่งเราไปถึงจุดนั้นขึน้นเลยปัญหาอาชวะก็จะเลิกเพียงเรไปถึงเพีงแนี้เานะเมื่อถึงจุดนั้นแล้ว ความเลื่อความเกิดความเหลื่องก็เหมื่อยลืมหมื่อยทำหนา้าเหนื่อยมากศาสนาลัทธะสงสารก็เหนื่อยทำหนา้าศาสนาจะไม่สามารถทําเราให้หมุนเวียนต่อไปอีกได้เลยอ่ะทันห้าทะเลกาจป็นฐานเลื่อนล้วนไม่เติมที่เด็ดปัญหาอักคระแต่อย่างไรถึงสมาธิตัญญาก็าทราบภาพภาพเป็นเชื่อหนึ่งไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราอีกเพิ่มเติ จึงเป็นอันว่ารื้ตามเป็นจริงเรียกว่ารู้เท่าเหตุรือเท่าเหวังต่อเนื่องและปล่อยวางไม่ตามเป็นจริงรือเทาคือรู้ทเท่าเหตุแห่งทุกข์ด้วยเหอุแงทุกข์คืออะไรรือก็มือไผ่ตามมติหานพระวันฐานยุทธวิทยวัฏฏานเติมเติมรู้เียกว่าเหตุแห่งทุกข์รื้เท่าด้วยเหอท่งทุกคืออะไรสีนออะจะมาที่ปัญญารื้เท่าด้วย รู Savior, um, inet, what think, ้พอส่วนสิอะไรทุกที่เกิดขึ้นจากเหตุแห่งคุกนั้นก็รู้เท่าส่เพที่เกิดขึ้นจากเหอุแห่งศึกคือปิณสมาพิธัญญาอันนี้กลายเป็นเรื่องของมีโลภขึ้นมาก็รู้เท่าอะไรล่ะที่นอกจากทุกตะนิัานนเลือดมากท่านพี่อะไรไทยเป็นผู้รู้ว่ามื่ทุกนื่ตะนิ่อไทยนี่เลือดนี่มะและไทยเป็นผู้รู้ว่า พลับไปแล้วละคือนั้นแหละเป็นธรรมวิมุตนินอกจากภาถะทั้งหลายที่ออกล่ามาเร้วนี้ทั้งหมดธรรมชาติอ น, นั้นซึงเป็นธรตายติดเดินพัดทั้งกลางวังกลางคืนเพราะจิงกำบังทั้งหลายด้าถูกทำลาย ตากระจัดกระจาไปหมดนะเพื่อนโยกันกับพระอาทิตย์ที่อากรจากเมื่อคำบางแล้วย่อแสงส่องแสงสว่างได้เต็มที่เึ่นั้นเรื่องของดวงใจที่เป็นหอด้วยความรูกเต็มที่ราจากสิ่งที่มาสะสมคำบางคือขีดปัญหาอัคระทั้งอยากทั้งกลางทั้งเอียดหมดแล้วธรรมภาตนั้น เปลงฟาจัดตัว ข, ข, ข, ขึ้นมาอย่างเต็นที่ที่เรียกว่าพุทโธเอเนพุทธเธอที่แท้จริงแทนพุทธเธอที่บริสุทธิ์เทนธรรมโมที่อัตรจันทร์อย่างแท้จริงภายในความรู้อันนั้นเอนสัเธอที่แท้จริงคือเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพุทธะอัตธรรมะ้นภายในจิตใจนั่นตัวนี้วัดประจักษ์พ่เป็นอันว่าได้ยุติกันงลงแล้ว ในขณะที่ทิศพระที่บริสุทธิ์นี้ได้ตร า, ากฏตัวขึ้นมาองเสนเดชพระปูมีพระพาเก้าทํานเนตัดสินกังกอกวัตตะกัดทั้งหลายได้ตัดสินกันในคืนเดือนสกิดผลเราจะตัดสินกันวันไหนหรือจะให้แต่ความที่เสียที่ข้ามตัดสนเอาทุกวันนั้นหรอหรือได้เห็นจาก ตอนที่เกียดนอนตื่นสายรับสินเอกคู่วันนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้ตักสินเราก็ต้องพยายามทำํำปูั้งเราให้จนขึ้นแม่สนิทกับสินก็มาที่ปัญญาทั้งวัน ท, ทั้งคืนดีเดินแน่นอนเราก็จะปรากฏธรรมดงนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแลสะสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัย ทาทั้งหลายที่ได้อธิบายมาวันนี้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าเพิ่งทราบว่ามือนอกเหนือไปจากตัวของเหเราทำทั้งหมดนี้แสดงถึงเรื่องของเราทัางนั้นทั้งฝ่ายชั่วก็มีอยู่กับตัวของหราทั้งฝ่ายดีที่แะแก้ความชั่วนั้นก็มีอยู่กับตัวข้งเราทั้งผลแห่งความดีที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไส เป็นขั่วนั้นไดแล้วก็เกิดิมมตทก็มีทางก็งเป็นเรื่องของเราเรื่นล้วนถ้าเราเป็นผู้มีนาใม้ความเกิดแส่เกิดตายต้องทําท่าที่นี่แล้วแตงเทียาามทํากุญญามความดีแัดเล่มสีสมาธิปัญญาคตุกัตปัญญาอย่าให้ห่างจากจิตอย่าห่างจากอารมณ์ที่เกิดกับใจของตนเอง อารมณ์นีเป็นตัวเหตุการสําคัญเป็นตัวแต่เหตุสําคัญคติ ป, ปัญญาเป็นตัวูี่จะยุนิขยันตามแก้ไขเหตุการเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นในใจว่าการเป็นธรรที่บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในใจานการจะตอบความภาคความเพียรวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เป็นของยากลำบากเหมือนอย่างเราท่องเคื่อเกิดในวนัฏสงสารนี้ไม่รู้กี่กับผีกัน อันความทุกข์ทำกลํงงานยากแนสนแสนถึงอล่านั้นยากผูุ้ดลำบากผู้สุดาการเสีกอบความเพียรเพื่หรือถอนตมออกกับทุกขเมื่อ็นของยากถึงขนาดนั้นจึงควรที่เราทั้งหลายจะมีแต่จิตแต่ใจบำเพ็ตนทันงน้งศรัทาเป็นเมื้อนาบุองตนอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ลูกแ่เพสาม า, ราเราทั้งหลาย ไม่สามารถทำตัวให้เริ่มเยินได้แล้วเลกจะพึ่งใครเ้วเราพึ่งเราไม่ได้แล้วเลกจะมาพึ่งเราได้อย่างไรเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นที่เริ่มเยินสาหรับเราเป็นที่พึ่งเราได้แล้วเลกจะพึ่งเราได้เอมที่เริ่เย็นเป็นสุดได้เขาให้ทานมาเล็กน้อยก็เป็นผลได้เขาเหงื่อไต เพราะเป็นเนื้อนาที่ดีที่สุดเป็นเนื้อนาที่เต็มไปืป้อสีเป็นเนื้อที่อันดีที่สุดเนื้อที่ของเราคืออะไรคือสีนรรมาที่อันใหญ่บิมุตพุทเของภากั้งตั้งอกตั้งใจ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 เมื่อจะเป็นไป ด, ด้วยความเจริญรุ่งเรืองวันนี้ได้อธิบายพระเกี่ยวกับเรื่องสีตมาที่ตัาาและอิธิบาททั้งสี่เรื่องเป็นคำว่าถามของทรศักดิ์สิทธห์ถ้าบรราท่านตงหางด้วยกันแนลและทากันตั้งอกตั้งใจ มีความเคลื่นแข็งต่อความภาคคํามเพียรอย่าทำจนเนจนต่อนหากพยายามบำเพิงกติกันราให้แม่ท่านดูกัเตัวดูตับใจอย่างไรเรื่องึงที่จะตนได้รับความที่ได้กล่าวไว้แล้วจะไม่เป็นสมบัติของข้า คำว่าอาการเกิดคือพระองเจ้าดวงสาวานั้นคือห่งาำดีนั่นเองและในขณะเดียวกันก็ผลเป็นผลแหองความทั่วเดือดเมื่อทำเหตุเพื่อร่างกายผต้องเพื่อทำเหตดดีร่างกายผต้องดีตลอกดกาลเพราะฉะนั้นคำว่าอาการดีเกิดจรงได้ในผล ท, ทั้งสองตัวเองผลดีดีอะไร หรือตั้งแต่เต้นจนถึงดีสุดยอดไม่เหนือไปจากตัวของเราผูท้ทาเรืเ่องมัทเหนมิถานแล้วลาาจะคิดให้นอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งเป็นตัวอเดจัดอยู่แล้วเอเัดคืออะไรคิดขึนมาทางนี้ยนะนี่เต็นไปด้วยมัทเหสมิางเนี่ยทีกล่าวมาทั้งทำทั้งสีข็ม ทุกข์ไม่จะตัวทั้งเราเปนทุกสมแต่มทัยคือเราเองเป็นเปนสั่งสนทุกข์ขึ้นมานมิเลิดหรือมากคือที่จะแก้ทุกขก็คือเรื่องของเรามิเพราเพราะอำ น, นาจของมันไม่แก้ทุกข์ดับแต่แรกก็ปรากฏเป็นมิโลดคือที่ว่าทุกข์ดับแต่นั้นคืออะไรนน่นเลยท่านเรืยอว่าะบรญสิทธิ์ทุกข์โผ่ทมกนั่นเ พระทิศาท่าได้ทำอยางนั้นท่านเป็นศาสตราของเลิศแบบเอิ้นศาสตราของท่านมากท่านเอิ้นจากโลกได้ท่านเอิ้นเพราะท่านเห็นู้ถือารายุกักทั้งสีนั้นเองและท่านกำเนิดนังในอยุจักจะทำทั้งสีด้วยหรือทอทั้งเหยืดดูเหยือดเื่อผลดีผลเชื่อแต่ ว, า, วางไว้ตามเป็นสิิ แ้มันงาข้างข้างไหนเลยที่ีี่เจริญทำนเป็นให้เป็นใเปะให้เสียทีที่ได้เกิดมาม้ได้เมากักางไหการแสดงธรรมาข้งไนขอิดงเกี่ยวกขอความสลับบมขนตนมีแต่บันา